ที่เต้าเตอรจริงที่เราจือเขียนไว้วเมื่อราว 2,500 ปีมาแล้วมีสิ่งหนึ่งไร้รูปแต่สมบูรณ์แบบมันคงอยู่มาก่อนที่จกักรวาลนี้จะเกิดขึ้นมาเสียอีกมันสงบเย็นว่างวิเวกสถาพรต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดดำรงอยู่เป็นนิรันด์มันเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดจกักรวาลนี้ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีข้าจะเรียกมันว่าเต่าก็แล้วกันมันไหลผ่านทุกสรรพสิ่งจากข้างในทะลุถึงข้างนอกแล้วไหลกลับไปสู่ต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งนั้นหนึ่งเต่าที่ใครก็พูดถึงกันได้นั้นไม่ใช่เต่าอมตะอะไรที่ตั้งชื่อได้นั้นก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นนิรันต์นิรัน์จริงๆ ตั้งชื่อไม่ได้หรอกพอมีชื่อสิ่งต่างๆที่ไม่ถาวรก็เกิดขึ้นถ้าหมดความอยากก็จะได้เห็นความจริงอันเร้นลับแต่ถ้ายังติดกับดักความอยากอย่างมากก็ได้เห็นแค่เปลือกนอกแต่ไม่ว่าจะเป็นความจริงอันเร้นลับหรือเปลือกนอกก็ล้วนเกิดจากรากเง้าเดียวกันรากเงานี้เรียกว่าความลึกล้าดามืด ความลึกล้ำดำมืดในความลึกล้ำดำมืดเป็นปากทางสู่การรู้แจ้งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง 2. เมื่อผู้คนเห็นว่าบางสิ่งสวยสิ่งอื่นก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเมื่อผู้คนเห็นว่าบางสิ่งดีสิ่งอื่นก็กลายเป็นสิ่งเลวเป็นกับไม่เป็นต่างเสริมสร้างกันและกันยากกับง่ายก็ค้้จุนกันและกันยาวกับสั้น ก็นิยามกันและกันสูงกับต่ำก็พึ่งพิงกันและกันก่อนกับหลังก็ตามกันและกันผู้ดูจึงทําโดยไม่ลงมืออะไรสอนโดยไม่พูดอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดไปสิ่งที่เกิดมาแล้วหายไปก็ปล่อยให้มันหายไปมีอะไรได้แต่ไม่เป็นเจ้าของทำอะไรไม่หวังผล ทำเสร็จแล้วก็ลืมมันเสียทำให้ผลงานคงอยู่ยั่งยืน 3. ให้อำนาจผู้ปกครองมากประชาชนก็ไรพลังให้คุณค่ากับการครอบครองมากผู้คนก็เริ่มลักขโมยผู้รู้หนำผู้คนโดยการให้ผู้คนทิ้งความคิดหันไปหาแก่นแท้ ลดความทะยานอยากหันไปหาการปล่อยวางช่วยให้คนทิ้งทุกอย่างที่รู้มาแล้วเสียทิ้งความอยากเสียอีกด้วยใครที่คิดว่าตัวเองรู้ดีก็ทำมึ น, มน ง, ง, งงเสบ้างจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้ทุกอย่างลงตัวของมันเอง 4... เต่าเหมือนบ่อน้ำที่ใช้ได้ไม่มีวันแห้ง เหมือนความว่างที่มีเนื้อในเป็นความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดมองไม่เห็นแต่อยู่ที่นั่นเสมอเขาก็ไม่รู้ว่าใครสร้างเสาขึ้นมามันอยู่มาก่อนพระเจ้าเสียอีกห้าเต่าไม่เข้าข้างใครมันให้กำเนิดทั้งดีและชั่วผู้รู้ก็ไม่เข้าข้างใครจึงต้อนรับทั้งนักบุญและคนบาป เต่าเหมือนสูบลมที่กลวงเปล่าแต่มีความสามารถไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งใช้มันมากมันก็ยิ่งให้ผลมากแต่ยิ่งพูดถึงมันมากยิ่งเข้าใจมันน้อยลงจงอยู่นิ่งๆที่ส่ย์กลางก็พอหกเรียกเต่าว่าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ว่างเปล่าแต่ไม่หมดกำลังมันเป็นผู้ให้กำเนิดโลก อ่นไม่มีที่สิ้นสุดมันอยู่ในตัวเจ้าเสมอเจ้าใช้มันได้ทุกทางที่เจ้าอยากใช้เดเต่าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นนิรันด์ทำไมจึงเป็นนิรันด์เพราะมันไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่มีความอยากของมันเองแต่ดํารงอยู่เพื่อสปปรรพสิง่งผู้รู้อยู่ข้างหลัง เขาจึงกลายเป็นผู้นำหน้าเขาละวางจากทุกสิ่งจึงเป็นหนึ่งเดียวกับเตา๋าปล่อยวางตัวตนของตนเองจึงมีชีวิตที่สมบูรณ์ดีแความดีสูงสุดเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงทุกสิ่งโดยไม่พยายามทำพอใจที่ต่ำอันผู้คนรังเกียจน้ำจึงเหมือนเตา๋า ดังนั้นในการเป็นอยู่ให้ติดดินในการคิดให้ง่ายเข้าไว้ในความขัดแย้งให้เปิดเผยและใจกว้างในการปกครองอย่าพยายามควบคุมในการทำงานให้ทำสิ่งที่สนุกในชีวิตครอบครัวให้อยู่ด้วยอย่างแท้จริงเมื่อพอใจกับการเป็นตัวเองไม่เปรียบเทียบหรือแข่งขันทุกคนก็จะนับถือเจ้าเอง 9. ถ้าเติมทั่วจนปริ่มมันจะหกถ้ารับมีดจนคมมันก็จะทื่อวิ่งตามเงินความมั่นคงหัวใจก็จะไม่มีวันผ่อนคลายมุงเอาใจคนอื่นตัวเองก็จะกลายเป็นนักโทษของเขาทำงานของเจ้าให้เสร็จแล้วถอนตัวเป็นทางเดียวที่จะพบกับความสงบเย็นสิบ กล่อมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านให้อยู่แต่กับหนึ่งเดียวดั้งเดิมนี้ได้ไหมผ่อนคลายร่างกายให้อ่อนนุ่มเหมือนร่างเด็กทารกได้ไหมหวางภาพภายในใจลงจนไม่เห็นอะไรในใจนอกจากแสงเรืองเืองได้ไหมรักและนำผู้คนโดยไม่บังคับเขาทำตามใจเจ้าได้ไหม รับมือกับเรื่องเป็นเรื่องตายด้วยวิธีปล่อยให้สถานการณ์พาไปเองได้ไหมถอยหลังออกจากความคิดเพื่อจะรู้สประสิ่งได้ไหมให้กำเนิดเลี้ยงดูมีทรัพย์โดยไม่เป็นเจ้าของทำโดยไม่หวังผลนำโดยไม่พยายามควบคุมนี่จึงจะเป็นอำนาจที่แท้จริง สิบเอ็ดประกอบที่เข้ากับวงล้อแต่เป็นเพราะรูว่างตรงกลางทาให้เกลี่ยเดินหน้าไปได้บ้นดินเหนียวเป็นหม้อแต่เป็นเพราะความว่างตรงกลางทำให้เก็บข้าวปลาได้ตีฝากระดานทำเป็นบ้านแต่เป็นเพราะที่ว่างภายในทำให้อยู่อาศัยได้เราลงมือทำสิ่งที่มีรูป แต่สิ่งที่ได้รูปเป็นส่วนที่เราได้ใช้ประโยชน์สิบสองสีทำให้ตาพราบอดเสียงทำให้หูอื้อหนวกรสทำให้ลิ้นชาด้านความคิดทำให้จิตขุ่นมัวความอยากได้ทำให้หัวใจผู้คนแห้งผากและโหดร้ายผู้สังเกตโลก ปล่อยให้สิ่งต่างๆผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปไม่ยึดติดด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเหมือนท้องฟ้า 13. ความสำเร็จอันตรายเท่ากับความล้มเหลวความหวังเลวร้ายพอๆกับความกลัวหมายความว่าอย่างไรสำเร็จอันตรายเท่าล้มเหลว คือบันไดไม่ว่าจะเดินขึ้นหรือเดินก็ล้วนสั่นคลอนยืนสองเท้าบนพื้นดินย่อมได้ดุลที่ดีกว่าหมายความว่าอย่างไรความหวังเรวร้ายพอๆกับความกลัวทั้งความหวังและความกลัวต่างเป็นความคิดที่โผล่ออกมาจากการปักใจเชื่อว่ามีตัวตนของเจ้าที่เป็นบุคคลถ้าไม่มีตัวตนของเจ้าที่เป็นบุคคล แล้วเจ้าจะต้องกลัวอะไรจงมองโลกให้เห็นว่าเป็นตัวเจ้าเองจงเชื่อมั่นในวิธีที่สรรพสิ่งเป็นอยู่จงรักโลกเหมือนรักตัวเองเมื่อนั้นแหละเจ้าจึงสมควรเป็นผู้ดูแลสรรพสิ่งได้ส4สมองก็ไม่เห็นฝังก็ไม่ได้ยินเอื้อมถึง แต่ก็หยิบฉวยไม่ได้เมื่อขึ้นมาก็ไม่ได้ส่องสว่างเมื่อลงไปก็ไม่ได้มืดมิดไรรูปไรนามมีความต่อเนื่องมันหวนกลับไปสู่อาณาจักรที่ไม่มีอะไรกอตัวเป็นรูปร่างได้ทุกอย่างเป็นภาพโดยไม่มีภาพละเอียดอ่อนผลการคาดคิดย้อนไปดูก็ไม่มีจุดเริ่มต้น ตามไปดูก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเจ้ารู้มันไม่ได้แต่เจ้าเป็นมันได้ดังนั้นจงสบายๆกับชีวิตแค่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนก็พอนี่คือสาระของปัญญายาน 15. ผู้รู้แต่โบราณลึกซึ้งละเอียดอ่อนมีปัญญายาน สุดอย่างคเนสุดปัญญาได้เราทำได้อย่างมากก็อธิบายรูปร่างหน้าตาว่าพวกเขาระแวดระวังราวกับคนข้ามทาน้ำแข็งตื่นตัวราวกับนักรบในขณะอยู่ในเขตศัตรูสํารวมราวอาคัรตุกะโอนอ่อนพ่อนตามราวน้ำแข็งละลายเหล่าได้ราวกับดุนไม้ กว้างขวางพร้อมรับได้ราวกับภูเขาโปรง่งใสราวกับน้ําในแก้วเจ้ามีความอดทนรอจนฝุ่นและโครลตรงแห่งความคิดตกตะกอนและรอจนน้าที่ขุ่นกลับใสได้หรือเปล่าเจ้านิ่งรอจนอุบัติการที่เหมาะเจาะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติได้หรือเปล่าผู้รู้ ไม่เที่ยวเติมเต็มใดๆไม่แสวงหาไม่คาดหวังเธอเพียงแค่อยู่ที่นี่และยอมรับทุกสิ่งตามที่มันเป็น 16. ปล่อยวางความคิดทิ้งไปจากใจปล่อยวิจใจให้อยู่ในความสงบฟอมองดูความยุ่งเหยิงของการมีชีวิตอยู่ห่างๆ แต่ไตรตรองถึงการกลับคืนสู่ต้นกำเนิดของมันแต่ละชีวิตในจกักรวาล น, นี้ล้วนหวนกลับสู่รากเงาเ ด, เดิมเดียวกันการกลับสู่รากเงาเดิมเป็นความสุขเย็นอย่างยิ่งถ้าเจ้าไม่รู้จักรากเงานี้เจ้าก็จะสะดุดล้มอยู่ในความสับสนโศกเศร้าต่อเมื่อเจ้าตระหนักว่าเจ้ามาจากไหนเจ้าจึงจะกลายเป็นคนอดทนรูจักอภัย ขบขันใจดีมีเมตตาเราวย่ายายมีสง่าราศีเรากษัตร์จนอิ่มอยู่ในอัศจรรย์แห่งเตาเจ้าจะรับมือกับอะไรก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตของเจ้าได้และเมื่อความตายมาถึงเจ้าก็พร้อม17เมื่อผู้รู้ปกครอง ประชาชนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเขาอยู่ผู้ปกครองที่ดีรองลงไปคือผู้ที่ได้รับความรักจากประชาชนที่รองลงไปอีกคือผู้ปกครองที่ประชาชนกลัวที่แย่ที่สุดคือผู้ปกครองที่ประชาชนเกลียดและสาบแช่งถ้าเจ้าไม่เชื่อประชาชนพวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่เชื่อไม่ได้ผู้รู้ไม่พูดแต่ทา เมื่อเขาทำงานเสร็จประชาชนจะพูดว่าประหลาดใจจังเราทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จด้วยตัวเราเอง 18. เมื่อเต่าที่ยิ่งใหญ่ถูกลืมความดีและความศรัทธาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญายาณของร่างกายเสื่อมถอยความฉลาดและความรู้ก็จะเข้ามาแทน เมื่อไม่มีความสุขในครอบครัวบิดาใจดีและบุตรปัตนอยู่ก็เกิดขึ้นเมื่อประเทศชาติตกอยู่ในความวุ่นวายความรักชาติก็จะเกิดขึ้น 19. โยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ ส, ละสรรพความรู้ทิ้งไปซะประชาชนก็จะเป็นสุขมากขึ้นอีกร้อยเท่าโยนศิลธรรมและความยุติธรรม ทิ้งไปซะผู้คนก็จะทำในสิ่งที่ถูกเองโยนความขยันทำมาหาเก็บและกอบโวยกำไรทิ้งไปซะขโมยขจรก็จะไม่มีถ้าสามอย่างนี้ยังไม่พออีกก็แค่อยู่นิ่งๆอยู่ตรงศูนย์กลางแล้วปล่อยให้สรร พ, พสิ่งดำเนินไปของมันเอง 20. สหยุดคิด ปัญหาของเจ้าก็จะหมดไปใช่กับไม่ใช่ต่างกันตรงไหนสำเร็จกับล้มเหลวต่างกันตรงไหนทำไมต้องให้ราคากับสิ่งที่คนอื่นเขาให้ราคากันด้วยทำไมต้องหลบเลี่ยงสิ่งที่คนอื่นเขาหลบเลี่ยงกันด้วยคนอื่นเขาตื่นเต้นยินดีราวกับขบวนแห่แต่ข้าคนเดียว ไม่ตื่นเต้นอะไรข้าคนเดียวไม่แสดงออกอะไรเรากับทารกตอนก่อนที่จะเริ่มยิ้มเป็นคนอื่นเขาสาะแสวงหาสิ่งที่เขาอยากได้ข้าคนเดียวไม่ครอบครองเป็นเจ้าของอะไรจับจดไปเรากับคนไร้ที่อยู่ถ้าเหมือนคนปัญญาอ่อนใจข้าว่างเปล่าจากความคิดคนอื่นเขาเจอจ้า ข้าคนเดียวมืดมิดคนอื่นเขาเฉียบแหลมข้าคนเดียวทึบทึมคนอื่นเขามีเป้าหมายในชีวิตข้าคนเดียวไม่รู้จักข้าลอยฟ้องไปเหมือนฟองคลื่นบนผิวมหาสมุทรโบกพัดไปไรจุดไม้เหมือนกระแสลมข้าแตกต่างจากคนทั่วไปตรงที่ข้าดื่มจากเต้าของแม่ผู้ยิ่งใหญ่ 21อผู้รู้เอาใจไว้เป็นหนึ่งเดียวกับเตา๋านั่นทำให้เธอผุดผ่าดเต๋าหยิบจับไม่ได้แล้วใจเธอจะเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าได้อย่างไรได้สิเพราะเธอไม่ยึดติดกับความคิดเต๋านั้นมืดมิดและลึกสุดอย่างถึงจะมาทำให้เธอผุดผ่าดได้อย่างไรได้สิ เพราะเธอปล่อยให้เตาทำเช่นนั้นเพาเต่านั้นอยู่มาก่อนห่วงอวกาศและการเวลามันจึงพ้นไปจากเป็นหรือไม่เป็นข้ารู้ได้อย่างไรนะหรือว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆรู้สิเพราะข้ามองเข้าไปในตัวข้าเองข้าจึงรู้ยี่สิบสอง ยอมเป็นแค่ส่วนหนึ่งจึงเป็นทั้งหมดได้ยอมโอนอ่อนคดเคี้ยวจึงตรงได้ยอมว่างจึงเติมเต็มได้ยอมตายจึงเกิดใหม่ได้ยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้รู้ทําตัวเป็นตัวอย่างแก่ชีวิตทั้งหลายโดยการอยู่ในเตา๋าเพราะเขาไม่ส่องไฟใส่ตัวเอง ผู้คนจึงเห็นแสงของเขาเพราะเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ผู้คนจึงเชื่อคำพูดของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผู้คนจึงยอมรับว่าตัวของพวกเขาเองเป็นผู้รู้สิ่งนั้นใจเขาไม่มีความอยากทุกอย่างที่เขาทำจึงสำเร็จเมื่อผู้รู้โบราณพูดว่าถ้าเจ้าอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้แจกจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปพวกเขาไม่ได้พูดจากคำอันว่างเปล่าเพราะเจ้าจะเป็นตัวเจ้าเองอย่างแท้จริงก็โดยการมีชีวิตเป็นเปล่าเท่านั้น 23. ลงมือทำให้เต็มที่แล้วเงียบเสียจงเป็นเหมือนแรงธรรมชาติเมื่อมันพัดมีแต่ลม เมื่อตกลงมามีแต่น้ำฝนเมื่อเมฆผ่านไปมีแต่แสงอาทิตย์ถ้าเจ้าเปิดตัวเจ้าเองสู่เต๋าเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋ารับเอามันมาไว้ในตัวเจ้าอย่างสมบูรณ์ถ้าเจ้าเปิดตัวเองสู่ปัญญายานอย่างรู้เจ้าก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับความอย่างรู้และเจ้าก็จะใช้มันได้เต็มที่ถ้าเจ้าเปิดตัวเจ้าต่อความสูญเสีย เจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับความสูญเสียและเจ้าก็จะยอมรับความสูญเสียได้อย่างสมบูรณ์เปิดตัวเจ้าเองสู่เตาและเชื่อมั่นในการตอบสนองตามธรรมชาติของเจ้าแล้วทุกอย่างก็จะเข้าที่เอง 24. คนที่ยืนขย่งเท้าให้ตัวเองสูงขึ้นจะยืนได้ไม่นาน คนที่เร่งรุดไปข้างหน้าจะไปได้ไม่ไกลคนที่พยายามจะเปล่งประกายแสงของเขาจะหลีลงคนที่พยายามนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคนที่มีอำนาจเหนือคนอื่นจะไม่มีอำนาจโดนบันดาลอะไรในตัวเองคนที่ยึดถืองานที่ตัวเองทำจะไม่มีวันสร้างสรรอะไรที่ยั่งยืน ถ้าเจ้าอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับเตา๋าแค่ทำงานของเจ้าให้เสร็จแล้วปล่อยไปไม่ยึดถือ2ี่สิห้ามีสิ่งหนึ่งไร้รูปแต่สมบูรณ์แบบคงอยู่มาก่อนที่จกักรวาลนี้จะเกิดเสีย อ, อีกมันสงบเย็นว่างเวเวกสถาพรไม่สิ้นสุด คงอยู่เป็นนิรันด์มันเป็นแม่พู้ให้กาเนิดจักรวาล น, นี้เนื่องจากไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรขาเรียกมันว่าเตา๋าก็แล้วกันมันไหลผ่านทุกสรรพสิ่งจากข้างในทะลุข้างนอกแล้วไหลกลับไปสู่ต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งนั้นเตานั้นยิ่งใหญ่จักรวาลก็ยิ่งใหญ่โลกก็ยิ่งใหญ่คนก็ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ คือสีพลังยิ่งใหญ่ควรเป็นไปตามโลกโลกเป็นไปตามจักรวาลจักรวาลเป็นไปตามเตาเตาเป็นไปตามเตาเอง2 6หหนักเป็นฐานรากของเบาสงบนิ่งเป็นฐานรากของการเคลื่อนไหวผู้รู้จึงเดินทางทั้งวันโดยไม่ได้ออกไปจากบ้าน นี่คือความหนักแน่นและสงบนิ่งไม่ว่าจะผ่านรุ่งโรธหรือตกต่ำเธอยังหนักแน่นและสงบนิ่งอยู่ในตัวเธอเองแล้วทำไมจักรพรรดิผู้ครองแคว้นจึงต้องพลานเหมือนคนโง่ด้วยเล่าถ้าเจ้าปล่อยให้ตัวเจ้าเองถูกพัดโยกเยกไปมาเจ้าก็จะสูญเสียความหนักแน่นถ้าเจ้าลนลานเจ้าก็จะสูญเสียความสงบนิ่ง 27. นักเดินทางที่ดีไม่มีแผนตายตัวและไม่จงใจว่าจะถึงที่ไหนเมื่อไหร่ศิลปินที่ดีปล่อยให้ปัญญาญาณของตัวเองพาตัวเองไปที่ไหนก็ตามที่มันอยากพาไปนักวิทยาศาสตร์ที่ดีปลดปล่อยตัวเองจากความคิดและเปิดใจรับอะไรที่ก็ตามที่จะเกิดขึ้นดังนั้นผู้รู้จึงเป็นประโยชน์แก่ทุกคน ไม่ปฏิเสธใครพร้อมใช้ประโยชน์จากทุกสถานการณ์ไม่ทิ้งอะไรไปอย่างเปล่าประโยชน์อย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้แจ้งคนดีจะเป็นอะไรนอกไปจากการเป็นครูของคนชั่วได้หรือคนชั่วจะเป็นอะไรนอกจากการเป็นอุทาหรณ์ในคนดีได้หรือถ้าจเจ้าไม่เข้าใจตรงนี้ เจ้าก็หลงทางมีใหญ่ว่าเจ้าจะฉลาดเพียงใดนี่เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่28เข้มแข็งดังชายแต่อ่อนโยนดังหญิงโอนรับเอาโลกไว้ในอ้อมแขนของเจ้าเต่าก็จะไม่ไปจากเจ้าแล้วเจ้าก็จะเป็นดังทารกไร้เดียงสารอบรู้กระจ่างดังสีขาว แต่ก็ยังแสดงออกติดดินดั่งสีดำเป็นทาราหล่อเลี้ยงโลกถ้าเจ้าเป็นทาราหล่อเลี้ยงโลกเต่าจะอยู่กับเจ้าแนบแน่นแล้วจะไม่มีอะไรที่เจ้าทำไม่ได้มีตัวตนเป็นบุคคลอยู่ในโลกแต่ก็แนบแน่นกับความไร้ตัวตนยอมรับโลกอย่างที่มันเป็นถ้าเจ้ายอมรับโลกเต่าก็จะส่องสว่างในตัวเจ้า แล้วเจ้าจะได้หวนกลับไปเป็นตัวจริงดั้งเดิมของเจ้าอีกครั้งโลกก่อกำเนิดมาจากความว่างเหมือนถ้วยชามถูกแกะสลักจากท่อนไม้ผู้รู้รู้วิธีใช้ประโยชน์จากถ้วยชามแต่ก็อยู่เป็นหนึ่งเดียวกับท่อนไม้เธอจึงใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างได้ยี่สิบเก เจ้าคิดว่าจะทําโลกนี้ให้ดีขึ้นได้หรือข้าว่าทําไม่ได้หรอกโลกนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าไปทําให้มันดีขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเจ้าไปพยายามแก้ไขมันเจ้าจะทําให้มันพังถ้าเจ้าไปครอบครองมันเหมือนเป็นสิ่งของเจ้าจะสูญเสียมันไปมันมีบางเวลาที่เจ้าต้องไปนําอยู่ข้างหน้าบางเวลาไปตามอยู่ข้างหลัง บางเวลาขยับเคลื่อนไหวบางเวลานิ่งบางเวลาขยันขันแข็งบางเวลาหมดแรงบางเวลาปลอดภัยบางเวลาเสี่ยงภัยผู้รู้มองเห็นสปปรรพสิ่งอย่างที่มันเป็นโดยไม่พยายามไปควบคุมบังคับมันเธอปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามทางของมัน แต่ตัวเธออยู่ตรงกลางของวงกลมสามสิ 30. ใครก็ตามที่คิดจะใช้เต่าในการปกครองดูแลผู้คนจะไม่ใช้กำลังแก้ปัญหาหรือยกทัพไปทำลายศัตรูเพราะเมื่อใช้กำลังก็จะถูกตีโต้ด้วยกำลังการใช้ความรุนแรงแม้จะด้วยเจตนาดีก็ตาม แต่ก็จะมีผลรุนแรงกลับมาเสมอผู้รู้ทำงานแล้วหยุดเขาเข้าใจว่าจากักรวาล น, นี้อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตลอดการการจะไปควบคุมบังคับเป็นการฝืนกระแสของเสาเพราะเขาเชื่อในตัวเองจึงไม่พยายามบอกคนอื่นให้เชื่อเพราะเขาพอใจตัวเองจึงไม่พยายามขอการรับรองจากคนอื่นเพราะเขายอมรับตัวเอง โลกจึงยอมรับตัวเขาสาออาวุธเป็นเครื่องมือทำลายล้างคนดีๆไม่มีใครใช้อาวุธอาวุธเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงความกลัวคนดีๆย่อมจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้มนันเสียแต่จะจำเป็นยิ่งยวดเมื่อจำเป็นยิ่งยวดก็จะใช้มันอย่างจำกัดเขาย่อมให้คุณค่าสูงสุดแก่สันติสุขหากสันติสุขสั่นคลอน เขาจะพอใจอยู่ได้อย่างไรศัตรูของเขาไม่ใช่อสูรร้ายแต่เป็นคนเช่นเดียวกับเขาเขาไม่ประสงค์จะให้ศัตรูถูกทำลายหรือประสงค์จะชื่นชมกับชายชนะหรือปลื้มใจกับการได้เข่นฆ่าผู้คนเขาเข้าสู่สงครามด้วยความรันทด、โศกเศร้าและสงสารเรากับว่าเขาไปงานศพ 32. มอเต่าไม่อาจรู้เห็นได้เล็กละเอียดยิ่งกว่าอิเล็กตรอนใหญ่โตโอบล้อมเอาดาราจาักไว้ข้างในนับไม่ถ้วนถ้าผู้มีอำนาจหญิงชายพากันอยู่เอาศูนย์กลางไว้ที่เตา๋าทุกอย่างก็จะสอดคล้องกลมเกลืนด้วยดีโลกจะกลายเป็นสวรรค์ผู้คนก็จะมีสันติสุขกฎหมายก็จะเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในใจ เมื่อเจ้ามีชื่อมีรูปร่างมีตัวตนให้รู้ว่ามันเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่ตัวจริงเมื่อเจ้ามีตำแหน่งให้รู้ว่ามันเป็นเพียงหน้าที่ชั่วคราวซึ่งมีที่สิ้นสุดถ้ารู้ว่าเมื่อใดควรหยุดแล้วหยุดเจ้าก็จะเหลืกเลี่ยงหยิญะนาใดๆทุกสิ่งทุกอย่างลงไปสิ้นสุดที่เตา๋า กระหนึ่งแม่น้ำทุกสายล้วนไปสิ้นสุดที่ทะเลสามสบสามรู้เรื่องคนอื่นเป็นความฉลาดแต่ความรู้ตัวเป็นปัญญายาณจริงแท้ควบคุมบังคับคนอื่นได้เป็นผู้มีกำลังมากแต่ควบคุมบังคับตัวเองได้เป็นพลังอำนาจที่แท้จริงถ้าเจ้าตัวหนักรู้ ว่าเจ้ามีพอแล้วเจ้าก็รวยจริงถ้าเจ้าอยู่ตรงศูนย์กลางและโอบรับความตายไว้ด้วยหัวใจทั้งหมดเจ้าก็จะไม่ตายชั่วนิรันดร์สาเต่าที่ยิ่งใหญ่ไหลไปทุกคนทุกแห่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากมันแต่มันไม่ได้บอกว่ามันสร้างสิ่งเหล่านั้น มันหลังไหลด้วยตัวมันผ่านเข้าไปแต่ไม่บอกความจริงว่าเป็นผลงานของมันมันหล่อเลี้ยงโลกอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้แต่ไม่ยึดว่าเป็นของมันมันเข้าไปเจือปนในทุกที่ทุกสิ่งและซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของสิ่งเหล่านั้นจึงเรียกได้ว่ามันถ่อมตนเนื่องจากท้ายที่สุดทุกสปปรรพสิ่งล้วนจมหายเข้าไปในเตาจึงมีแต่เตา ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวมันยิ่งใหญ่ดังนั้นมันจึงยิ่งใหญ่จริงๆ35ิเธอผู้ซึ่งวางศูนย์กลางตัวเองไว้ในเตาสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เธออยากจะไปโดยไม่มีอันตรายเธอรับรู้ความกลมกลืนของจักรวาลแม้ในท่ามกลางความเจ็บปวดรุนแรง เพราะเธอพบสันติสุขในหัวใจของเธอเสียงเพลงเพราะหรือกลิ่นหอมของอาหารอาจทำให้คนหยุดชื่นชมแต่คำพูดที่ชี้ให้คนไปหาเต่านั้นราบเรียบไรรสชาติเมื่อเจ้ามองหามันมันไม่มีอะไรให้เห็นเมื่อเจ้าพยายามฟังมันมันไม่มีอะไรให้ได้ยินแต่เมื่อเจ้าใช้มันมันไม่เคยหมดแรงกาลัง สามถ้าเจ้าจะบีบรถอะไรเจ้าต้องปล่อยให้มันขยายตัวเต็มที่ก่อนถ้าเจ้าจะกําจัดอะไรเจ้าต้องปล่อยให้มันเจริญเต็มที่ก่อนถ้าเจ้าจะเอาสิ่งใดเจ้าต้องให้สิ่งนั้นก่อนนี่เป็นมุมมองลึกซึ้งต่อวิธีที่สิ่งต่างๆเป็นอ่อนชนะแข็งช้าชนะเร็วจงให้งานของเจ้าเป็นความลับแค่ปล่อยให้ผลงานนั้นตกแก่คนอื่นก็พอ 37. เต๋าไม่เคยทำอะไรแต่ทุกสิ่งถูกทำขึ้นมาผ่านเตา๋าถ้าผู้กุมอำนาจชายหญิงทำงานในเตา๋าโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนตัวมันเองไปตามจังหวะของมันผู้คนจะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายในแต่ละวันอย่างกลมกลืนและปลอดจากความอยากเมื่อไม่มีความอยากทุกสิ่งก็จะสุขสงบ 38ผู้รู้ไม่พยายามมีอำนาจดังนั้นเขาจึงมีอำนาจคนธรรมดาพยายามมีอำนาจดังนั้นเขาจึงไม่มีวันมีอำนาจเพียงพอผู้รู้ไม่ทําอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือความสมบูรณ์เรียบร้อยคนธรรมดาพยายามทําสิ่งต่างๆแต่ยิ่งทํามากยิ่งเหลือสิ่งที่ต้องมาแก้ไขมากคนใจบุญ ทำอะไรบางอย่างแต่ก็ทิ้งบางอย่างไว้ให้ต้องมาแก้ไขตุลาการทำอะไรบางอย่างแต่ทิ้งอีกหลายอย่างให้ต้องมาแก้ไขผู้เคล่งนครัดศีลธรรมทำอะไรบางอย่างแต่ครั้นผู้คนไม่ตอบสนองเขาก็ถลกแขนเสื้อและใช้กําลังบังคับเมื่อเต่าหายไปความดีก็เข้ามาแทนเมื่อความดีหายไป ศีลธรรมก็เข้ามาแทนเมื่อศีลธรรมหายไปพิธีกรรมก็เข้ามาแทนพิธีกรรมเป็นเมล็ดพันธุ์ของศรัทธาจึงเป็นจุดตั้งต้นของความวุ่นวายจาราจนผู้รู้จึงใส่ใจระดับลึกไม่ใช่แค่ผิวเผินใส่ใจผลไม่ใช่แค่ดอกเขาไม่มีเจตนาอะไรเป็นของตัวเองเพียงแต่อยู่กับความจริงแลปล่อยให้ภาพหลอนทั้งหลาย ดำเนินผ่านหน้าไป 39. เมื่อคนกลมกลืนกับเตา๋าท้องฟ้าจะโปร่งและกว้างขวางพื้นดินแน่นและเต็มอิ่มของสัตว์ทั้งหลายเติบโตไปด้วยกันต่างพอใจกับวิธีของตัวเองหมุนเวียนเกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคนพยายามแรกแซงเตา๋าท้องฟ้ากลายเป็นขุ่นมัวพื้นดินเกิดชื่อแท่งเหือ ดุลยภาพเสื่อมถอยของสัตว์ศูนย์พันผู้รู้เฝ้ามองวิถีด้วยความสงสารเพราะเขาเข้าใจทั้งหมดเขาใช้ชีวิตอย่างท่อมต้นไม่ส่องแสงแวาวาวาวดุจอัญมณีแต่ปล่อยให้ตัวเองถูกขัดเกลาโดยเตา๋าเป็นอะไรที่ธรรมดาราวก้อนหิน40ไหล ย, ย้อนกลับไปที่เดิมคือการเคลื่อนที่ของเตา๋า ออกดอกผลเป็นวิธีของเสาสัพสิ่งเป็นการวนเวียนเกิดของชีวิตโดยที่ชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาจากภาวะไรชีวิต41ยอดคนเมื่อได้ยินเรื่องของเตาเขาเริ่มเข้าหาเตาทันทีคนธรรมดาเมื่อได้ยินเรื่องของเตาเขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนง่อเมื่อได้ยินเรื่องของเตา เขาหัวเราะยาะออกมาดังลั่นถ้าเขาไม่หัวเราะเยาะนั่นไม่ใช่เสาแล้วจึงเป็นที่กล่าวขานว่าหนทางไปสู่แสงสว่างจะดูมืดหนทางไปข้างหน้าจะเป็นการกลับหลังหันหนทางตรงดูช่างยาวอัมนาที่แท้จริงดูช่างอ่อนแอความบริสุทธิ์แท้จริงดูช่างหมองฟ้าความสถาพร ที่แท้จริงดูช่างแปรปรวนความโปร่งใสที่แท้จริงดูช่างซุกซ่อนความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงดูช่างง่ายดายความรักที่ยิ่งใหญ่ดูช่างเฉยเมยปัญญายาณที่แท้จริงดูช่างไรเดียงสาเตาอยู่ในที่ที่หาไม่พบแต่หล่อเลี้ยงและสร้างความสมบูรณ์ให้ทุกสปปรรพสิ่ง 42เตาให้กำเนิดหนึ่งหนึ่งให้กำเนิด 2. สองให้กำเนิดส3สให้กำเนิดสปปรรพสิ่งทุกสปปรรพสิ่งเบื้องหลังอ่อนโยนอย่างหญิงเบื้องหน้าเข้มแข็งอย่างชายเมื่อหญิงกับชายรวมกันทุกอย่างกลายเป็นความกลมกลืนคนธรรมดาเกลียดความวิเวกแต่ผู้รู้ใช้ประโยชน์จากความวิเวกอบรับการอยู่คนเดียว กระหนักรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลทั้งหมด43สิ่งที่อ่อนที่สุดในโลกชนะสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกเนื่องจากสิ่งที่ไร้รูปย่อมทะลุผ่านรูปร่างสสารที่มีโพรงว่างได้นี่แสดงให้เห็นคุณค่าของการไม่ทาการจงสอนโดยไม่ใช้คำพูดทำโดยไม่ออกอาการ นั่นเป็นวิธีแห่งผู้รู้44ชื่อเสียงหรือความเป็นตัวเองอย่างไรสสำคัญกว่าเงินกับความสุขอย่างไหนมีค่ากว่ากันสาเร็จหรือร่มเหลวอย่างไหนมีอำนาจทำลายล้างมากกว่ากันถ้าเจ้าไปมองที่คนอื่นเพื่อจะเติมเต็มตัวเองเจ้าจะไม่มีวันได้เติมเต็มถ้าความสุขของเจ้าไปขึ้นกับเงิน เจ้าไม่มีวันได้ความสุขกับตัวเจ้าเองจงพอใจกับสิ่งที่เจ้ามีเพลิดเพลินกับวิถีที่สิ่งต่างๆเป็นอยู่เมื่อเจ้าตระหนักรู้ว่าไม่มีอะไรขาดหายไปโลกทั้งใบนี้ก็จะเป็นของเจ้า45ความสมบูรณ์แท้จริงนั้นดูช่างไม่สมบูรณ์แต่มันก็สมบูรณ์ในตัวของมันเองความเติมเต็มที่แท้จริง ดูช่างว่างเปล่าแต่มันก็เป็นการดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ความตรงที่แท้จริงนั้นดูช่างขดเคี้ยวปัญญาญาณที่แท้จริงดูช่างงงงมศิลปะที่แท้จริงดูช่างไร้ศิลผู้รู้ปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเธอรับมือกับเหตุการณ์เมื่อมันมาถึงเธอก้าวหลบออกไปข้างทางปล่อยให้เตา๋าพูดของเต๋าเอง เมื่อประเทศกลมกลืนกับเตา๋าโรงงานก็ผลิตล้อเข็นและคันไถเมื่อประเทศไปคนละทางกับเตา๋าอาวุธก็กองสูงท่วมที่นอกเมืองไม่มีมายาคติใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความกลัวไม่มีความผิดพลาดใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเตรียมตัวป้องกันตัวเจ้าเองไม่มีความโชคร้ายใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการบ่งเพาะศัตรู ใครก็ตามที่มองทะลุเห็นความกลัวทั้งปวงจะเป็นผู้ปลอดภัยตลอดกาล47แม้จะไม่เปิดประตูบ้านแต่เจ้าก็เปิดใจให้กับโลกทั้งใบได้ไม่ต้องมองออกนอกหน้าต่างเจ้าก็มองเห็นเนื้อแท้ของเต่าได้ยิ่งเจ้ารู้มากเจ้าก็จะยิ่งเข้าใจน้อยลงผู้รู้มาถึงโดยไม่ต้องจากไป เห็นแสงโดยไม่ต้องมองบรรลุผลโดยไม่ต้องลงมือทำสิ่งใด 48. ถ้าเจ้าติดตามความรู้ทุกวันจะมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเจ้าปฏิบัติเตา๋าทุกวันจะมีแต่ความคิดที่ถูกทิ้งออกไปเมื่อเจ้าปฏิบัติเตา๋าความจาเป็นที่เจ้าจะต้องบีบบังคับอะไรมีแต่น้อยลงน้อยลงจนในที่สุด เจ้าจะมาถึงจุดที่เจ้าไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยเมื่อเจ้าไม่ต้องทําอะไรก็จะไม่มีอะไรหลงเหลือที่ยังไม่ได้ทําผู้รู้รู้ได้จากการปล่อยให้สรรพสิ่งดําเนินไปตามทางของมันไม่ใช่โดยการเข้าไปแทรกแซง49ผู้รู้ไม่มีความคิดของตัวเองเธอกระทําผ่านความคิดของคนอื่น เธอดีต่อคนอื่นและเธอก็ดีต่อคนที่ไม่ดีด้วยนี่จึงเป็นความดีที่แท้จริงเธอเชื่อถือคนที่น่าเชื่อถือและเธอก็เชื่อถือคนที่ไม่น่าเชื่อถือด้วยนี่จึงจะเป็นความเชื่อถือที่แท้จริงใจของผู้รู้เหมือนความว่างคนไม่เข้าใจเธอแต่ก็ชื่นชมเธอเธอก็ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นลูกของเธอเอง 50ผู้รู้ยอมแพ้และยอมรับทุกอย่างที่ปัจจุบันนำมาเขารู้ว่าเขาต้องตายรู้ว่าไม่มีอะไรจะต้องยึดถือไว้อีกไม่มีมายาคติในใจไม่มีแรงขัดขืนในร่างกายเขาไม่คิดถึงว่าจะต้องทำอะไรปล่อยให้มันไหลไปตามแก่นกลางของชีวิตเขาเองไม่หยิบฉวยเอาอะไรจากการได้มามีชีวิต เขาจึงพร้อมสําหรับความตายเหมือนคนที่พร้อมจะหลับหลังจากทำงานเหนื่อยมาทั้งวันห1ิบเทุกชีวิตในจักรวาล น, นี้เป็นการแสดงออกของเต๋อมันก่อกาเนิดขึ้นมาเป็นชีวิตไรจิตสำนึกรับรู้สมบูรณ์เป็นอิสระเข้ามาปักหลักในร่างกายปล่อยให้เหตุการณ์แวดล้อมสร้างมันให้สมบูรณ์นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมทุกชีวิตจึงยกย่องเตา๋าเต๋าให้กำเนิดทุกสปปรรพสิ่งฟูมฟักรักษาเลี้ยงดูอุ้มชูปกป้องชีวิตเหล่านั้นและพาชีวิตเหล่านั้นกลับไปสู่เต๋าในที่สุดสร้างสารรค์โดยไม่เป็นเจ้าของลงมือทำโดยไม่หวังผลชี้นาโดยไม่แทรกแซงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมตตาของเตา๋า มีอยู่ในธรรมชาติของทุกชีวิต52เมื่อเริ่มต้นมีเตาทุกอย่างเกิดมาจากที่นั่นแล้วทุกอย่างก็หวนกลับไปสู่ที่นั่นการจะค้นหาต้นกำเนิดต้องย้อนรอยไปสู่ความเป็นมาเมื่อจาความเป็นเด็กทารกและพบกับแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเจ้าก็จะเป็นอิสระจากความทุกโศกทั้งมวล ถ้าเจ้าไปหลงวนอยู่ในความคิดพิภาคษาและความวุ่นวายของความอยากใจเจ้าก็จะปั่นป่วนถ้าเจ้าวางความคิดพิภาคษาลงและไม่เผลอถูกชักนำไปโดยเสียงรับรู้เข้ามาใหม่ใจของเจ้าก็จะสงบสุขมองเห็นในความมืดคือความรู้แจ้งรู้จักยอมรับรู้จักยอมแพ้คือความเติบโตจงใช้แสงสว่างของเจ้าเอง พาเจ้ากลับไปยังรากเงาของแสงนั้นนี่เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติตัวสุนิรันดอน53เส้นทางสายเอกนี้ง่ายแต่คนก็ชอบที่จะไปใช้เส้นทางเล็กทางน้อยจงระวังเมื่อสิ่งต่างๆเสียดุลยภาพปักหลักมั่นอยู่ตรงกลางในเตาไว้และเมื่อความงกเก่งกำไรงอก ง, งามในใจ ชาวนาก็จะสูญเสียที่ดินของตัวเองเมื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใช้จ่ายเงินไปกับอาวุธทำลายล้างแทนที่จะใช้ไปกับการบริบาลชีวิตเมื่อคนชั้นสูงใช้ชีวิตฟุ่มฟ่าขาดความรับผิดชอบคนจนก็ไม่มีที่จะหันหน้าไปไหนการปล้นสดะดมแต่ความวุ่นวายก็จะตามมานี่ไม่ใช่การดำรงอยู่ตามวิถีแห่งเตา้า ห4ิบสี่ใครก็ตามที่อย่างแรกลงในเต๋าแล้วก็จะไม่ถูกถอนร่างอีกใครก็ตามที่โอบรับเต๋าไว้จะไม่ลื่นถลไปไหนอีกชื่อของเธอก็จะได้จาวึกไว้ในหมู่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าปล่อยให้เต๋าอยู่ในตัวเจ้าแล้วเจ้าจะกลายเป็นความจริงแท้ให้เตาดำรงอยู่ในครอบครัวของเจ้าครอบครัวของเจ้าก็จะเบิกบาน ให้เต่าดำรงอยู่ในประเทศของเจ้าประเทศของเจ้าก็จะเป็นตัวอย่างของประเทศทั้งหลายในโลกให้เต่าดำรงอยู่ในจักรวาลแล้วจักรวาลก็จะขับกล่อมเสียงเพลงแล้วข้ารู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นเรื่องจริงข้าก็รู้โดยมองเข้าไปในตัวข้าเองไงเล่าห้าสิบห้า เขาผู้ซึ่งกลมกลืนกับเตาจะเป็นเหมือนทารกเกิดใหม่ที่กระดูกยังอ่อนกล้ามเนื้อยังบวกเปียกแต่มือหยิบจับนั้นแข็งแรงยังไม่รู้เรื่องความอ่อนโยนอย่างหญิงความเข้มแข็งอย่างชายแต่เจ้าจุดจูของทารกนี้ก็อาจชี้โดดขึ้นมาได้พหลังชีวของเจ้าเด็กน้อยนี้ล้นเลือมันแหกบากร้องหัวสั่นหัวคลอนได้ทั้งวันแต่เสียงก็ไม่เคยแหบ ความกลมกลืนลงตัวในเด็กน้อยที่สมบูรณ์ดีเยี่ยมพลังอำนาจของผู้รู้ก็เป็นอย่างนี้เขาปล่อยทุกอย่างให้ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปอย่างไร้ความเพ่งพยายามหรือบีบเค้นอย่างไม่มีความอยากเขาไม่เคยคาดหวังผลดังนั้นเขาจึงไม่เคยผิดหวังจิตวิญญาณของเขาจึงไม่เคยแก่เท่าห้าสิบหก คนที่รู้ไม่พูดคนที่พูดไม่รู้ปิดปากของเจ้าเสียปิดอายตนะรับรู้ทั้งหลายของเจ้าเสียด้วยมนความเฉียบแหลมของเจ้าให้ทื่อลงคลี่ปมที่ขมวดแน่นให้คลายออกภาคิคมชัดเกินไปก็ปรับให้นุ่มลงพระลงเสียบ้างปัดฝุ่นความวุ่นวายในใจทิ้งไปนี่เป็นตัวตนดั้งเดิมของเจ้า จงเป็นอย่างเตา๋าคนรักเจ้าหรือเกลียดเจ้าก็ไม่ต่างกันได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็ไม่ต่างกันได้เกียรติยศหรือถูกลบหลู่ให้ต่ําต้อยก็ไม่ต่างกันมีแต่เมตตายอมรับยอมแพ้อย่างต่อเนื่องถาวร น, นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเต๋าจึงสถิตสถาพร ห้เจถ้าเจ้าอยากเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่จะต้องเรียนรู้ที่จะตามเตาหยุดความพยายามที่จะควบคุมปลดปล่อยแผนการหรือความคิดอันรอบครอบพวกนั้นเสียโลกจะปกครองตัวมันเองยิ่งเจ้าไปออกกฎห้ามประชาชนก็จะลดความดีงามลงยิ่งเจ้าสะสมอาวุธไว้มากประชาชนก็จะยิ่งมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลงยิ่งเจ้าโอประชาชนมาก พวกเขาก็จะเพิ่งตัวเองได้น้อยลงดังนั้นผู้รู้จึงว่าเมื่อข่าปล่อยปละละเลยกฎหมายประชาชนก็จะซื่อสัตย์มากขึ้นเมื่อข่าปล่อยปละละเลยเศรษฐกิจประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีมากขึ้นเมื่อข่าปล่อยประละเลยาศาสนาประชาชนก็จะมีจิตสํานึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้นเมื่อข่าลดความอยากครอบครองสินค้าผูกพันลงสินค้าผูกภัณฑ์เหล่านั้น กลับมีมากมายดกเดินราวกับยาแรกห้าสิบถ้าปกครองประเทศด้วยความใจกว้างประชาชนก็จะสุขสบายและซื่อสัตย์ถ้าปกครองประเทศด้วยวิธีกดขี่ประชาชนก็จะทุกขทนและคดโกงเมื่อเจตนาจะของอำนาจโดดเด่นความคิดอุดมคติจะมากขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงจะน้อยลงหญิงเจ้าพยายามทำให้ประชาชนเป็นสุข ยิ่งเป็นการวางพื้นฐานให้ประชาชนเป็นทุกข์ยิ่งเจ้าพยายามทำให้ประชาชนมีศีลธรรมนั่นเจ้ากำลังวางพื้นฐานให้เกิดในสิ่งตรงข้ามดังนั้นผู้รู้จึงนิยมรับใช้ด้วยการทำตัวให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยไม่บังคับเจตนาถาชี้ทิศทางแต่ไม่ทิมแทงเที่ยงตรงแต่นุ่มนวลผุดผ่าแต่สบายตาห้ 59. การจะปกครองประเทศให้ดีไม่มีวิธีไหนดีกว่าการผ่อนผันเครื่องหมายชี้ความเป็นคนผ่อนผันคือการมีอิสรภาพจากความคิดของเขาเองการอ่อนอ่อนผ่อนปลนเหมือนท้องฟ้าทิ้มแทงทะลุ ด, ดุดแสงตะวันมั่นดุดขุนเขาอ่อนนุ่มดุดอ่อลู่ลมเขาไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ในใจแต่ใช้ประโยชน์จากอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเขา ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาและเขาก็ปล่อยวางเขาสามารถดูแลทุกสุขประชาชนได้ราวกับแม่ดูแลลูก 60. การปกครองประเทศใหญ่เหมือนทอดปลาเล็กแย่มากปลาก็เละเอาประเทศวางไว้ที่กลางเตาความชั่วร้ายก็จะหมดพลังก่อกวนไม่ใช่เป็นเพราะมันไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เป็นเพราะเจ้า สามารถหลบหลีกทางให้มันเมื่อความชั่วร้ายไร้สิ่งต่อต้านมันก็จะหายตัวไปเองห1เอเมื่อประเทศมีกำลังมากมันกลายเป็นเหมือนทะเลที่ลํำทานทุกสายทานไหลลงมาที่นั่นยิ่งประเทศมีกำลังมากเท่าไรก็ยิ่งต้องถ่อมตัวมากขึ้นเท่านั้นถ่อมตัวหมายถึงเชื่อมันในเตา๋าดังนั้น จึงหมดความจําเป็นที่จะต้องปกป้องประเทศที่ยิ่งใหญ่เหมือนคนที่ยิ่งใหญ่เมื่อเขาทําผิดเขาตัวหนักรู้เมื่อตัวหนักรู้เขายอมรับมันเมื่อยอมรับมันเขาแก้ไขมันเขามองคนที่ชี้ความผิดพลาดของเขาว่าเป็นครูผู้ใจบุญเขามองศัตรูว่าเป็นเหมือนเงาที่หล่อหลอมเขาออกมาถ้าประเทศมีศูนย์กลางอยู่ที่เตา มันจะหล่อเลี้ยงประชาชนของมันเองโดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงประเทศอื่นมันจะเป็นแสงสว่างให้แก่ประเทศทั้งหลายในโลก 62. เต่าเป็นแก่นกลางของจั ก, กรวาลเป็นสมบัติของคนดีเป็นที่ลีภายของคนชั่วเกียรติยศซื้อได้ด้วยความพูดรูรูความนับถือสร้างได้ด้วยการทำความดีแต่เต่าอยู่พ้นไปจากคุณค่าใดๆ และไม่มีใครได้รับดังนั้นเมื่อผู้ปกครองใหม่ได้รับเลือกอย่าเสนอตัวเข้าไปช่วยเขาด้วยเงินทองหรือความรู้ของเจ้าแต่เสนอช่วยเขาด้วยการสอนเรื่องเต๋าแทนทําไมผู้รู้โบราณจึงให้ราคาเต๋าสูงส่งนักเพราะว่าเมื่อได้เป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าแล้วเมื่อเจ้าจะหาอะไรเป็น ไ, ได้พบเมื่อเจ้าทําผิดพลาดเจ้าจะได้รับการให้อภัย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนรักเตา๋า63สิาทำโดยไม่ต้องลงมือทำงานโดยไม่ต้องพยายามจดจ่อบังคับคิดถึงสิ่งเล็กให้เหมือนสิ่งใหญ่เล็กน้อยให้เหมือนมากมายะเะชิญความลำบากเสียตั้งแต่ตอนที่มันอย่างง่ายทำงานใหญ่สำเร็จด้วยการทำสิ่งเล็กๆหลายชิ้นให้สำเร็จก่อน ผู้รู้ไม่เคยเอื้อมไปคว้าสิ่งใหญ่เธอจึงสาเร็จเรื่องใหญ่ได้เมื่อเธอประสบความยุ่งยากเธอหยุดและยินยอมมอบตัวเองแก่มันเธอไม่ได้ยึดติดกับความสุขสบายของตัวเองดังนั้นปัญหาจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอ 64. อะไรที่เป็นรากเหง้าจะดูแลง่ายอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นจะแก้ไขง่ายอะไรที่เปราะจะแตกง่าย อะไรที่เล็กจะกระจัดกระจายง่ายจงป้องกันความยุ่งยากเสียตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจะสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านั้นต้นสนยักษ์เติบโตมาจากเมล็ดเล็กๆ ก, ก, การเดินทางพันลีเริ่มต้นด้วยการก้าวเดินถ้าเรียบร้อนลงมือเจ้าจะล้มเหลวถ้าพยายามจะหยิบฉวยอะไรเจ้าจะเสียมันไป ถ้าบีบตุ้ดิษเคนโครงการให้สำเร็จเจ้าจะทำให้ของที่เกือบเสร็จอยู่แล้วเสียหายดังนั้นผู้รู้ลงมือทำโดยการปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามทางของมันตัวเขาเองก็ยังสงบนิ่งแม้ตอนจบก็ไม่ต่างจากตอนเริ่มเขาไม่มีอะไรจึงไม่มีอะไรจะสูญเสียสิ่งที่เขาอยากได้คือความไม่อยากสิ่งที่เขาได้เรียน คือการทิ้งความรู้เดิมเขาเพียงแค่เตือนผู้คนให้ระลึกว่าพวกเขาเป็นใครเขาไม่ใส่ใจอะไรนอกจากเตา๋าดังนั้นเขาจึงได้ใส่ใจต่อทุกสรรพสิ่งหกสิบาผู้รู้โบราณไม่พยายามให้ความรู้ผู้คนแต่สอนให้พวกเขาหวังสิ่งที่รู้มาเมื่อผู้คนคิดว่า พวกเขารู้คำตอบการชี้นำพวกเขาจะยากยิ่งเมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่รู้พวกเขาจะหาทางของพวกเขาเองถ้าเจ้าต้องการเรียนวิธีปกครองให้เหล็กเลี่ยงการเป็นคนฉลาดหรือคนร่ำรวยวิธีง่ายที่สุดเป็นวิธีชัดที่สุดถ้าเจ้าพึงพอใจกับชีวิตปกติธรรมดาเจ้าก็จะสามารถแสดงให้ประชาชนทั้งปวง เห็นหนทางกลับไปสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาเอง66ทุกลำธารไหลไปลงทะเลเพราะมันต่ำกว่าความถ่อมตนทำให้ทะเลมีอำนาจถ้าเจ้าต้องการปกครองประชาชนเจ้าต้องวางตัวเองไว้ต่ำกว่าพวกเขาถ้าเจ้าต้องการนำประชาชนเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเดินตามพวกเขาผู้รู้อยู่เหนือผู้คน แต่ไม่มีใครรู้สึกว่าถูกกดขี่เธอไปล้ำหน้าผู้คนแต่ไม่มีใครรู้สึกว่าถูกเธอชักจูงทั้งโลกขอบคุณเธอเพราะเธอไม่ได้แข่งกับใครจึงไม่มีใครแข่งขันกับเธอได้ 67. บางคนว่าคำสอนของข้าช่างไร้สาระบางว่ามันฟังดูสูงส่งแต่ปฏิบัติไม่ได้ แต่สำหรับผู้ที่ได้ย้อนกลับมองเข้าไปในตัวเองสิ่งที่ถูกว่าไร้สาระนี้เป็นสาระสมบูรณ์อย่างยิ่งและสำหรับคนที่เอามันไปปฏิบัติจริงสิ่งที่ว่าดูสูงส่งนี้มีรากลึกอย่างยิ่งถ้ามีสามเรื่องเท่านั้นที่จะสอนคือความง่ายความอดทนและความเมตตาทั้งสามอย่างนี้เป็นมหาสมบัติของเจ้า เพียงแค่รู้ว่าจะคิดจะทําอย่างไรเจ้าก็จะได้หวนกลับไปสู่ต้นกําเนิดของชีวิตเจ้าแล้วอดทนต่อทั้งมิตรและศัตรูเจ้าก็กลมเกลืนกับวิถีที่สิ่งต่างๆดํำรงอยู่แล้วเมตตาต่อตัวเองเจ้าก็ได้ปลองดองกับทุกชีวิตในโลกนี้แล้ว68นักกีฬาที่ดีอยากให้คู่แข่งของเขาทําได้ดีที่สุด ในผลที่ดีเข้าถึงความคิดของศัตรูนักธุรกิจที่ดีขายสิ่งที่ดีให้กับผู้คนผู้นำที่ดีเดินตามเจตนาของประชาชนทั้งหมดนี้คือคุณค่าของการไม่แข่งขันเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบการแข่งขันแต่เขาทำมันอย่างมีน้ำใจแบบนี้พวกเขาก็เป็นเหมือนเด็กน้อยและกลมกลื่นกับเตา 69พวกนายพลพูดกันว่าแทนที่จะเรียบลงมือก่อนสู้เฝ้ารอดูก่อนดีกว่าแทนที่จะลุกไปข้างหน้าหนึ่งนิ้วถอยมาหนึ่งก้าวดีกว่านีเรียกว่าไปข้างหน้าโดยไม่รุกดันไปข้างหลังโดยไม่ใช้อาวุธไม่มีอะไรจะโชคร้ายไปกว่าการประเมินศัตรูของเจ้าต่ําไปหมายความว่าเจ้าคิดว่าเขาเป็นปีศาจร้าย ดังนั้นเจ้าจึงยอมทำลายสมบัติสามอย่างของเจ้าแล้วกลายเป็นศัตรูต่อตัวเจ้าเองเมื่อกองทัพมหือมาสองฝ่ายมาประชันหน้ากันชัยชนะจะตกแก่ฝ่ายที่รู้วิธียอมแพ้เจคำสอนของข้าเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายแต่ความเฉลียวฉลาดของเจ้าจะไม่ยอมหยิบฉวยไปใช้และถ้าเจ้าพยายามลองใช้เจ้าจะล้มเหลว คำสอนของข้าเก่าแก่กว่าโลกเจ้าจะหยิบฉวยความหมายของมันได้อย่างไรถ้าเจ้าอยากจะรู้จักข้าเจ้าต้องมองเข้าไปในใจของเจ้าเองจ็สอ็รู้ว่าตนเองไม่รู้คือความรู้ที่แท้จริงเดาเอาว่าตัวเองรู้นั่นคือโรคร้ายก่อนอื่นต้องตรหนักก่อนว่าตัวเจ้าป่วย จากนั้นเจ้าจึงจะไปสู่การมีสุขภาพดีได้ผู้รู้เป็นหมอให้ตัวเองเธอรักษาตัวเองจากความหลงผิดว่ารู้ดังนั้นเธอจึงเป็นทั้งหมดอย่างแท้จริงเจสิบสองเมื่อผู้คนหมดสิ้นความสำนึกของความหวาดกลัวพวกเขาหันไปหาศาสนา เมื่อพวกเขาไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวเองพวกเขาหันไปพึ่งอำนาจบ้านเมืองดังนั้นผู้รู้จึงรู้จักถอยหลังเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเขาสอนโดยไม่สั่งสอนเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้ไม่มีอะไรต้องเรียนเจเต๋เาทำได้ง่ายเสมอเอาชนะโดยไม่ต้องแข่งขัน ตอบคำถามโดยไม่ต้องเอ่ยคำมาถึงได้โดยไม่ต้องสวดมนต์อ้อนวอนสำเร็จกิจได้โดยไม่ต้องวางแผนร่างแหของเต่าครอบกลุมจักรวาลทั้งมวลและแม้ร่างแห่ น, นี้จะมีตาห่างมันไม่ปล่อยให้อะไรเล็ดลอดออกไปได้เลยเจถ้าเจ้าตรนักว่า ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีอะไรที่เจ้าจะต้องพยายามเพื่อยั้งมันไว้ถ้าเจ้าไม่กลัวตายก็ไม่มีอะไรที่เจ้าจะบรรลุไม่ได้ลองพยายามควบคุมอนาคตดูหน่อยมันเหมือนกับลองทํางานแทนช่างไม้ชั้นครูเมื่อเจ้าพยายามใช้เครื่องมือของช่างไม้ระดับครูมีโอกาสมากเหลือเกินที่เจ้าจะตัดเนิ้วมือของเจ้าเอง เจ็ดสิบห้าเมื่อเก็บภาษีแพงผู้คนอดอยากเมื่อรัฐบาลพยายามก้าวไก่มากประชาชนก็หมดความอดทนจงลงมือทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไว้ใจพวกเขาและปล่อยพวกเขาไว้ตามลำพังเจ็ดสิบหกตอนเกิดคนเกิดมาแบบนุ่มและอ่อนนิ่มตอนตาย ตายแบบแข็งทื่อจานชามเกิดมาแบบโค้งเว้าอ่อนโยนแวววาวตอนตายตายแบบเปราะหักและแห้งกรังดังนั้นใครที่แข็งกระด้างไม่โอนอ่อนเป็นสาวกของความตายใครก็ตามที่อ่อนโยนและยินยอมเป็นสาวกของความมีชีวิตอะไรที่แข็งกระด้างจะแตกเป็นเสี่ยงอะไรที่อ่อนและนุ่มจะอยู่ได้ เจยามกระทำการในโลกเต่าเหมือนกับการน้าวธนูปลายบนโน้มลงปลายล่างโน้มขึ้นมันปรับส่วนเกิดส่วนขาดเพื่อให้ได้ดุลที่สมบูรณ์โยกเอาส่วนที่เกินไม่ให้ส่วนขาดผู้ปกครองที่พยายามควบคุมใช้กำลังปกครองบกบ้องอำนาจตัวเองทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตา๋า ไปเอามาจากคนที่มีน้อยไปโปะให้คนที่มีมากเกินพออยู่แล้วผู้รู้มีแต่ให้เพราะความสุขสมบูรณ์ของเธอไม่มีวันหมดเธอลงมือทำโดยไม่คาดหวังผลสำเร็จไม่เอาหน้าและไม่คิดว่าเธอดีกว่าคนอื่นตรงไหนเจสิบแปดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอ่อนนุ่มและผ่อนผันไปมากกว่าน้ำ แต่ในการจะละลายของที่แข็งและไม่โอนอ่อนน้ำก็ทำได้ดีที่สุดเช่นกันอ่อนชนะแข็งโอนอ่อนชนะแข็งคืนทุกคนรู้ว่านี่คือความจริงแต่มีไม่กี่คนที่เอาไปปฏิบัติได้ดังนั้นผู้รู้จึงสงบนิ่งในท่ามกลางความโศกเศร้าผีร้ายจึงไม่อาจเจาะใจเขาได้ เพราะไม่ช่วยปลอบประโลมผู้คนเขาจึงเป็นสิ่งปลอบใจที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนคำพูดเหล่านี้ดูขัดแย้งกันแต่ก็เป็นความจริงเ9กความล้มเหลวเป็นโอกาสถ้าเจ้าตำหนิคนอื่นก็ตำหนิได้ไม่มีที่สิ้นสุดผู้รู้จึงทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์แก้ไขความผิดพลาดของตัวเอง เธอทำสิ่งที่ต้องทำแต่ไม่เรียกร้องเอาอะไรจากคนอื่น 80. ปกครองประเทศดีประชาชนก็มีความสุขพวกเขาจะเพลิดเพลินกับการใช้แรงงานฝีมือและไม่เสียเวลากับการคิดประดิษฐ์เครื่องทุนแรงพวกเขาจะรักถิ่นฐานบ้านเกิดไม่สนใจจะเดินทางไปไหนแม้จะมีเกวียน แล้วเรืออยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้จะมีอาวุธกระสุนยอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยถูกใช้ผู้คนเพลิดเพลิน อ, อาหารของพวกเขาสุขใจกับการอยู่กับครอบครัวใช้วันหยุดทำงานในสวนปลื้มกับการงานของเพื่อนบ้านแม้ต่างประเทศจะอยู่ใกล้กันขนาดได้ยินเสียงไก่ขันและหมาเห่าแต่พวกเขาก็ยินดีที่จะอยู่กับบ้านตัวเองจนแก่ตาย โดยไม่ปรารถนาจะเดินทางไปดูแปอ็ดคำพูดจริงไม่ไพเราะสวยหรูคำพูดที่ไพเราะสวยหรูไม่ใช่คำจริงผู้รู้ไม่ครอบครองเป็นเจ้าของอะไรยิ่งทำอะไรให้คนอื่นได้มากเขาก็ยิ่งมีความสุขยิ่งให้แก่คนอื่นมากเข้ายิ่งร่ารวยเต่าฟูมฟักโดยไม่บีบบังคับไม่เรียกร้อง เพียงแต่ผู้รู้ทำตัวเป็นตัวอย่าง